ไม่จิตส่วนอื่นอย่างนี้มันก็ถอนขึ้นมาจากรวมแล้วมันจึงคิดได้หนี่ชื่อมันรวมเป็นหนึ่งจริงจังมันเป็นอย่างนั้นหนีจิตที่รวมได้รับความสุขความสบายอย่างนั้นคนที่ไม่เคยเห็นเคยเป็นเมื่อเป็นอย่างนั้นมันก็เกิดอัศจริย์เพราะความสุขความสบายแบบนั้นเราไม่เคยเห็นเคยเป็นมากอ่อน เคยเห็นเคยเป็นตั้งแต่เรื่องโลกโลกที่เขานิยมชมชอบกันสัตว์ทั่วไปที่เขาไม่เป็นมนุษย์เขาก็เป็นได้หลงได้เพลินได้แต่ที่สุขที่สบายที่สงบรวมเป็นหนึ่งนั้นจะต้องอาศัยฝึกฝนี่นิจที่เจนาอบรมจิตใจของตัวทำจริงทำ จ, งจริงจะเกิดขึ้น ไม่ใช่ว่ามนุษย์ทั่วไปจะรู้ใจเห็นจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันหมดไม่เป็นไม่เห็นถึงจะมีความรู้ขนาดไหนก็เอาเถอะไม่มีวันเวลาที่จะเป็นจะเห็นไปได้นอกจากจะตั้งหน้าตั้งตาภาวนาทำกันจริงจังภาวนานั้นเราเคยทำกันมามากหน้ามากตาหลายท่านหลายคน ใจจะเห็นจะเป็นอย่างนั้นทุกคนนั้นก็ยากอีกเหมือนกันไม่ใช่ง่ายถ้ามันเป็นมันเห็นอย่างนั้นความสุขความสบายอันนั้นมันไปทักใจไปตลอดวันตายถึงถอนออกมาก็มีจิตใจหยิมหยิ่มแจ่มใสคิดอะไรปลอดโปร่งสุขสบายเพราะใจมีกำลัง มีความยิ่มยแยมแยมใสภายในตัวนี่คืออา น, นิสงของการฝึ ก, ษษษษษษ ก, กจิตเตียงจิตรวมเท่านั้นก็ได้รับความถูกความสบายขนาดนี้เมื่อเราลา่กิเลสตัณหาไปหมดมันจะเป็นอย่างไรเราก็พอคำนวณได้ว่ามันจะสะดวกสบายมาก แล้งเี่ยวเืองันหามันมีอะไรในจิตในใจของเรา <c oughs> เราก็พยายามพิจารณาหาสาเหตุของมันสมุดฐานของมันเพื่อจะถอดถอนสิ่งนั้นนั้นให้ตกออกไปให้หายสงสัยให้ใจรู้แจ้งเห็นจริงเพราะจิตที่มีสมาธิ มีความตั้งมัน่นสามารถที่จะพิจัยนาจริงต่างๆให้รู้ให้เห็นตามเป็นจริงได้ไม่เหลือวิสัยสำหรับกิเลสที่เกิดขึ้นกับใจจะต้องขับไล่ถอดถอนออกได้ด้วยอำนาจของสมาธิของปัญญาหากไม่สามารถอย่างนั้นพระพุทธเจ้าหรืออรหัสตอรหัน จะไม่มีในโลกเฉพางแต่เราหักห้ามแนวสอนจิตใจที่เคยปุ่งปรุงต่างๆนาน า, นาไม่เคยมีวันเวลาหยุดพักผ่อนได้เราก็มีอุบายกำหนดบทบริกรรมหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้แน่นอนลงไปใจของเรายังรวมได้เมือมันรวมได้อุบายที่จะถอดถอนเรื่องกิเลสตัณหาที่จิตคล้องในใจ มันทำไมมันจะทำไม่ได้ธรรมะจะเป็นโมขะเฉพาะเราคนเดียวหรือมันจะต้องที่นิพจานาศึกษาหาทางแก้ไขนี่คือการภาวนาการฝึกการปฏิบัติจิตใจจิตใจถ้าหากไม่มีธรรมะไม่มีสติไม่มีปัญญาอยู่ในตัวแล้ว มันไม่มีความสุขความสบายให้สุขสบายต่อสุขสบายเพราะความหลงข้องใจเผดเพลินไปในสิ่งนั้นเผอเพลินไปในสิ่งนี้เมื่อถึงจุดทุกเกิดขึ้นมันไม่มีทางที่จะแก้ไขได้สบายตั้งแต่เมื่อโรคภัยไข้เจ็บหรือสิ่งที่ปรารถนาะมีอยู่ในตัวเมื่อสิิงที่ ปรารถนาไม่มีหรือทุกเกิดขึ้นมัาเลยไม่มีสติไม่มีปัญญาจะบังคับบัญชาแนสอนใจของตัวให้สุขให้สบายได้คนจึงเกิดวุ่นวายกันอยู่ทั่วโลกเพราะไม่รู้จักวิธีที่จะรักษาจิตใจของตัวแก้ไขจิตใจของตัวให้สุขให้สบายได้ทั้งๆที่ อวดเก่งมื่เรามีสติมีปัญญามีความรู้แต่มันชั่วขนาดไหนที่เลียไหลเขาทับถมใจไม่มีทางแก้ไขไม่มีทางที่จะละถอนได้เราเลยไม่เห็นว่าเราชั่วเราเสียเราเลยทมจากความรู้ความฉลาดสอบได้ขั้นนั้นขั้นนี้รู้ ด, ดีวิเศษอย่างนั้นอย่างนี้ แต่กิเลสมันไม่กลัวให้ความรู้ประเพียดนั้นประเภทปฏิบัติไม่เป็นอย่างนั้นรูสั้นๆนิดๆก็ตามแต่มันถึงต้นต่อของมันถึงฐานของมันถ้ามันเป็นขึ้นเห็นขึ้นเพียงความสงบโทนนั้นมันกวสุขกว่าสบายให้เมื่อมีทุกอะไรเกิดขึ้น มันก่าสามารถพิจารณาเกิดปัญญาละทถอนได้เพราะมันเป็นอักเป็นธรรมจริงจังไม่ใช่มันเป็นตำหลับสำลาไม่ใช่ความรู้ที่ยืมมาจากคนอื่นมันเกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติมันทันการทันสมัยเหมือนกันกับเรามีอาวุธอยู่ในมือของเราเมือ่อขราศึกศัตรูจะมาทำร้าย แล้วจับได้ตอบโต้ก็ได้มีอาวุธอะไรไม่มีเหมือนมีข้าศึกศัตรูมาก็มไม่ทราบว่าจะไปคว้าหาที่ไหนก็เลยถูกเขา่ากเขาตีเอาก่อนมีปัญญาของเราที่อยู่ตามสำหรับตำรากับสำนองเดียวกันมันอยู่นอกมันจึงไม่ทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านจึงให้ฝึกปฏิบัต มันเกิดมันเป็นมันเห็นมันรู้ภายในใจทุกคนมีสิทธิ์ที่จะประพฤติปฏิบัติฝึกหัดเอาได้อย่าไปเห็นว่าความทุกข์อื่นมันเป็นความทุกข์ที่สำคัญยิ่งกว่าความทุกข์ใจความทุกข์ใจเป็นสิ่งที่สำคัญเหนือกว่าทุกกาย พอเรื่องทุกข์ใจนี้ถึงจะมีอยู่มีกินโรคไข้ไข่เจ็บไม่เบียดเบียนมันก็เกิดทุกข์ได้เมื่อมันเกิดทุกข์เราจะนั่งจะนอนมันก็ไม่สบายจะไปที่ไหนไม่สบายทั้งนั้นถ้ามันทุกข์ใจมันเป็นทุกข์ใหญ่ลำบากลำคาญจึงให้แก้ไข เรื่องทุกข์ใจนอกจากจะภาวนาก็ไม่มีทางอื่นที่จะแก้ได้การภาวนาจึงเป็นเรื่องแก้ทุกข์ใจเมื่อใจมันหายจากทุกข์ใจมันหมดสงสัยใจมันไม่มีอะไรเป็นภัยเป็นเดชแก่มันแล้วถึงจะอดอยากยากจนอยู่ปา่าอยู่เขาโลกทั่วไปเข้าไหม ยินดีสรรเสริญก่อดตามผัดนคนนั้นอยู่สุขอยู่สบายยิ้มแยมแจ่มใส ไ, ไม่มีอะไรเป็นพิษเป็นภัยสะดวกสำหรับท่านทั้งการอยู่การตามนี่คือการแก้ทุกข์ใจเมื่อแก้ได้สุขสบายไม่มีอะไร เหมือนในโลกเรื่องกัวกายนั้นมันมีทั้งคนจนมีทั้งคนรวยมันทุกข์ได้เพราะเรื่องของกายนั้นมันเป็นรังของโรคแฉโรคนี้หายไปโรคใหม่เกิดขึ้นมันเป็นอยู่อย่างนั้นโรคบางสิ่งบางอย่างเขาแกใช้ไม่ได้เป็นความแก้ถึงแม้จะมียุบยา ดีวิเศษขนาดไหนก็ไม่มีทางที่จะแก้ไขให้หายโลกตายก็เหมือนกันเมื่อถึงการถึงเวลามาจะมียาที่ไหนรักษาได้ถึงเวลามันก็ตายไปตามเรื่องข้องมันถ้าใจไม่เห็นทิ้งเหล่านี้เป็นธรรมดาว่ามันเกิดมาแล้วมันก็จะต้องแปลปวนแล้วแตกสลายมันจะต้องเป็นทุกข์อยู่เรื่อยไป ใจที่จะเห็นชัดเจนอย่างนั้นก็ต้องอาศัยการที่นิพพเจนาภายในการปฏิบัติใจของตัวไม่ใช่ว่ารู้มันหายไปรู้ส่วนเดียวไม่เห็นมันแก่ไขไม่ได้จะต้องทั้งรู้ทั้งเห็นให้มันเด่นในจิตในใจ ยัีงจะรู้ว่าคนเกิดมาสมีความแก่ความเจ็บควา ม, บามตายเป็นธรรมดาไม่มีใครที่จะร่วงพ้นถึงเหล่านี้ไปได้แต่เมื่อมาโดนเราเข้าเป็นอย่างไรจิตใจหวันไหวเอ็นเอียงหรือไม่ถ้าหากไม่มีทำไม่เห็นไม่เป็นในตัวมันทราบรู้อยู่ว่าเกิดมาจะต้องแก่ต้องตายแต่เมื่อมาโดนเราเข้ามาโดน คนที่เรารักเราชอบใจเขาใจของเราไม่เห็นเป็นธรรมดาใช่แล้ว่วาสิ่งนั้นมันหย่ำาดีดีท่าในควรที่จะเป็นอย่างนั้นคนอื่นเขาไม่เห็นเป็นอย่างเรามันจะไปต่างๆนาน า, นาเรื่องจิตใจห้ามกันไม่อยู่คนที่สึกร้องไห้นี่คือทุกข์ของใจที่ในนี้อาจมีทาภายใน ถามีอาจมีธรรมภายในใจสุขใจสบายจ่อยู่สถานที่ใดก็เป็นภัยอันตรายแก่ตนและคนอื่นฉะนั้นธรรมจึงเป็นเรื่องสำคัญถ้าคนมีธรรมโลกอันนี้เยือกเย็นสุขสบายคนไม่มีธรรมอยู่ในกลุ่มใดหมู่ใดจะต้องทามทุกข์ทามโทษให้แก่ คนในกลุ่ ม, ม น, นั้นนัเดือดร้อนวุ่นวายไม่ต้องพูดถึงหมู่คณะถึงมวลชนเียงใจจิตของเราเองก็เป็นอย่างนั้นเมื่อใดที่ไม่มีอัจมีทรรมในใจใจใจะต้องฟุ้งฟุ้งวุ่นวายว้าวีเดือดร้อนเมื่อใดใจมีอัจมีทรรมใจใจะนิ่งจะสะงบ จะสุขจะสบายคิดอะไรสะดวกโล่งโ h งปลอดโปร่งไปหมดนี่คือจิตที่มีอาจมีทรมีความสุขความสบายอย่างนั้นดะนั้นพวกเราท่านที่ตั้งหน้าตั้งตาศึกษาภาวนาก็พยายามํำระจิตใจของตัวอย่าไปถือว่าเรื่อง กา ร, ป, รปฏิบัตินั้นเป็นหน้าที่ของพระเจ้าพระสงฆ์ของกรรมฐานเป็นหน้าที่ของคนเท่าคนแก่มันเป็นหน้าที่ของเราทุกคนการปฏิบัติจิงจำเป็นที่เราทุกคนจะต้องปฏิบัติเพื่อความสุขความสงบของใจทุกอิริยบทต่างหน้ากาหนด อาจทมเอาไว้อย่าไปคิดว่าเวลาฟังเทศจริงจะรักษาใจเวลาเข้าที่ภาวนาจริงจะรักษาใจของตัวอย่างนั้นไม่ถูกไม่ทันกับเรื่องกิเลสตัณหากิเลสตัณหามันเข้ามาได้ทุกอิริยาบถเรานัง่งเรายืนเราเดินเรานอนมันเข้ามาได้มันไม่เลือก การเลือกสมัยไหมว่าพระว่าเนนว่าคาววามันเกิดขึ้นได้ถ้าธรรมะไม่มีในจิตในใจมันเกิดขึ้นได้อย่างสะดวกสบายแต่นั้นการปฏิบัติจริงจจตองมีสติรักษามีปัญญาแน้สอนใจอยู่ที่ทุกอริยบทรักษาเอาไว้สิ่งใดมันเป็นภัยเป็นอันตราย นำความไม่สุขไม่สบายมาให้จะต้องขับไล่ไม่ให้จิตไปคิดไปปรุงไม่ให้ปากไปพูดไม่ให้กายไปทำในสิ่งที่ชั่วที่เสียนั่นนั้นเพราะทำพูดคิดแล้วมันทำความเดือดร้อนให้แก่ตัวของตัวทั้งคนอื่นที่รู้ท่า <c oughs> นกดจะตําหนิมินทา ว่าไม่ควรพูดควรทำไปอย่างนั้นแต่เราก็ได้ทำไปแล้วโดยความไม่มีสติไม่มีปัญญาแน่สอนตัวเราจึงควรต้องรวมเล่าวังรักษาภาวนาเอาไว้อย่าให้ใจล่วไหล <c oughs> ไปคิดนึกสิ่งที่ชั่วที่เสียนี่คือ การภาวนารักษาใจของตัวอารมณ์ใดที่จะนำความสุขความสบายมาให้พยายามยึดเอาไว้ให้ใจเกาะให้ใจอาศัยเหมือนกันกับคนข้ามแม่น้ำจะต้องอาศัยเรือไม่อย่างนั้นมันก็ไม่ปลอดภัยไปไม่ถึงฝั่งมีความดี ที่ท่านแนะนให้เราเกาะก็ไม่ใช่ว่าเราจะเกาะไปที่ไหนเกาะไปเพื่อความถึงฝั่งไม่ใช่จะละไปหมดทิ้งไปหมดเมื่อมันถึงเยดถึงขั้นของมันไม่บอกมันก็ทิ้งเหมือนกันกับคนไปถึงฝั่งแล้วเขาไม่ได้หาเรือไปด้วยถึงเรือมันจะเป็นสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์ ตอนเรายัางอยู่ในแม่น้ำก่าตามแต่เมื่อไปถึงฝั่งเขาจะต้องขิ่งพระอริยบุคคลที่ท่านพ้นจากทุกข์กว่าทานองเดียวกันบุญบาปถันละหมดไม่มีดีชั่วถันละหมดเพราะท่านถึงความบริสุทธิ์ของท่านมีเราไม่เป็นอย่างนั้นยังอยู่ในน้ำจะต้องอาศัยเรือ รือใจตรงก็ะอาศัยอัดทำที่นี่พิจารณาเลื่อยไปเมื่อเราพิจารณาทาอยู่เรื่อยๆยี่เหลียดตัญหาก็ไม่มีโอกาสช่องทางที่จะโผล่เข้ามาทับถมโจมตีจิตใจให้เดือดร้อนหุ่นวายเราก็มีความสุขความสบายตามฐานะของเราเหมือนเรากระทำบาเพ็ญไปเรื่อยๆทำแก่กล้าสามารถ ของจิต้องใจมันก็เต็มไปเรื่อยๆเหมือนกันกับผลไม้ต่างๆเข็นมะม่วงถนูนเป็นต้นเมื่อมันสุกเต็มที่ของมันในตกไปหาน้ำอ้อยน้าตาลมาจากที่ไหนมาใส่มันก็หวานรสหวานของมันเกิดขึ้นจากตัวของมันเองมีความพ้นทุกข์ของผู้บวช ป, ปฏิบัติก็ทํานองเดียวกัน เ่ไปถึงจิตถึงขัานมันเป็นเองมันเห็นในจิตในใจของตอนมันมีทางสงสัยธรรมะจริงเป็นปัจจิตังสันธิถิโกคือเห็นเองรู้เฉพาะในกา ร, ป, ร, รปฏิบัติของตัวแต่นั่นพวกเราผู <c oughs> ้มุ่งมั่นไม่อยากเลียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารต่อไปตั้งใจ ป, ปฏิบัติ ตามอัตธรรมดีพระพุทธเจ้าทรงสอนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะพบจะเห็นจะเป็นเจ้าของรรทำทีพระพุทธเจ้ารู้พระพุทธเจ้าเห็นด้วยสันทุกทนนน้าไม่ใช่ว่าเราอาภัพอาวาสนาเรามีอำนาจวาสนาจึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์และเรามีสิทธิ์ที่จะประพฤติธปฏิบัติตามอัตธรรมที่ท่านแนะนเอาไว้ ไม่ใช่ว่ามีจิตบางแก่สาวกของพุทธเจ้ามีจิแตแบบพระแสงนี้เรามีจิตเหมือนกันเพราะทำนั้นมันเป็นของกลางเป็นสมบัติของคนทั่วไปเหมือนกันกันกบสมบักของโลกผู้หญิงก็มีจิต ท, ที่จะหาได้ไม่ใช่ว่า ผู้หญิงไม่สามารถที่จะมีศิษหาเงินหาทองได้เงินทองมันเป็นของฟาง้าใครหามาได้ก็เป็นสมบัติของคนนั้นมี่ธรรมคำสอนของพระพุทธเจากก้าก็เหมือนกันมีศิษ ท, ทุก่านทุกคนพราวาสก็ไม่ว่าบรรพชิตก็ไม่ว่าถ้าใครหาอัตธรรมพิจารณาอัตธรรมคนนั้นจะมีสมบัติคืออัต ทำในจิตในใจความสุขความสบายนั้นถ้ามันเกิดมันเป็นมันเห็นในตัวแล้วไม่ต้องไปให้คนอื่นรับรองให้เพราะใจของเรารับรองในตัวของเราเองนี่คือการปฏิบัติด้านจิตใจจิตกันกับการศึกษาเราเรียนทางโลก เรียนมาได้ไปสอบตกกว่าเสียใจอะไรมันตกไปที่เราเรียนได้ก็ยังคงอยู่ถ้าภูมิอาจมีทำไม่ใช่ว่าความรู้ที่เราเรียนมาสอบตกแล้วมันไม่มีอะไรหายไปหมดตกไปหมดมันไม่เป็นอย่างนั้นมันเรียนมาได้แค่ไหนก็แค่นั้นเขาจะให้ใบประกาศนิยบัตรมาความรู้ก็ไม่เพิ่มเติมขึ้นให้ก็เท่าที่เราได้เราเห็น เรามีอยู่ในตัวของเรามันไม่มีอะไรที่จะผิดแปลกแตกต่างไปนอกจากใบประาาสาทนิยบัติที่เขารับรองให้เท่านั้นเราก็เลยดีใจของเราสอบได้เรามีความรู้มันเป็นแบบนั้นเรื่องของโลกแต่เรื่องของธรรมนั้นเป็นไปอีกคนละอย่างคือเมื่อมันเห็นมันเป็นอยู่ในตัวจริงจัง เรารู้เราพอใจเราได้เราถึงอะไรแล้วถึงคนอื่นเขาจะไม่สรรเสริญเยินยอของเรากว่ายังดีลิเกตอยู่ถึงเขาจะครูเค้น <c oughs> ดิฉินนินทาหนักแน่นขนาดไหนถ้าใจบริสุทธิ์ก็ไม่มีอะไรเสียหายไปอย่างพระพุทธเจ้าท่านยังคงเส้นคงวาอยู่เสมอไปไม่ตื่นเต้น ในการสรรเสริญในการมินทะนี่คือจิตคือใจที่มีอัตมีธรรมมันเสมอต้นเสมอปลายในเหมือนพวกเราทั้งหลายที่พอถูกลมปากเขาสรรเสริญเยินยอให้ก็หลงไหลพอเขาดีเทียนให้ก็เหี่ยวแห้งมันเป็นแบบนั้นนี่คือจิตใจที่ไม่มีอัตมีธรรมมันไม่สม่ำเสมอ ท่ริงสอนให้ประพฤติปฏิบัติเรื่องอ่านเรื่องทำรรให้ใจิตใจรู้เห็นเป็นจริงในตัวของตัวมีปัญญาที่จะแนะนตัวของตัวรักษาตัวของตัวไม่ให้ชั่วให้เสียตามคำที่เขาดูหมินม่นเนินทาไม่เหอให้บ้าตามเรื่องที่เขาสรรเสริญมันเป็นอย่างไรให้ทราบภายในใจของตัวอย่างนั้น เมื่อทุกท่านประพฤติปฏิบัติตามอัตธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนจะสุขจะสบายไม่มีอะไรในโลกที่จะดีจะวิเศษจ ะ, ะเสริฐเท่าการปฏิบัติจิตใจของตัวให้มีอัตมีธรรมดังนั้นเราทุกคนที่สนใจอัตธรรมจงต่างหน้าต่างตาพากันประพฤติปฏิบัติ ร, รักษา ทั้งรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจของตัวสิ่งที่ชั่วที่เสียสำจัดปัดเป่าออกไปจิงได้ที่จะยังความสุขความเจริญมาให้หรีบประพฤตปฏิบัตต่งต่างจารักษาจนจิตบริสุทธิ์เป็นนิมุติอย่างไรนั้นไม่ต้องสงสัยไม่ต้องให้คนอื่นหาใบ ป, ประกาศนิยฉาบมาติตให้ ว่าเราเป็นโซดาเศรจฐีทาทาอรรหาญแต่จิตใจของเรานั้นเป็นอย่างไรเราทราบในตัวของเราเองใบประกาศนิยบัตคือการปฏิบัติที่รู้ที่เห็น <c oughs> ที่ดีที่เด่นในตัวนั้นมันรับรองให้การปฏิบัติตามอัตธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนมีความสุขความสบายไม่ตื่นเต้น เสียหายไปตามเรื่องของโลกเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะประพฤติปฏิบัติได้จงนำทรรมที่แนะนอ น, นี้ไปกำหนดที่นิจพานาศึกษาตัางหน้าตัางจาปฏิบัติสิ่งที่ถูกละสิ่งที่ชั่วที่เสียออกไป เมื่าทุกคนต่างหนาต่างณารักษาปฏิบัติอย่างนั้นความสุขความสบายที่เราไม่เคยเห็นเคยเป็นในใจก็จะเกิดขึ้นการอธิบายธรรมะ <c oughs> เห็นว่าพอทั้งสวรที่เวล <c oughs> ออือเขายุติเพียงแค่นี้ <c oughs>